พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะในการสนัสนีสนานาอีกวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ดิฉันสันสนีหนาาพงนะคะจะพบท่านเฉพาะวันพฤหั ส, สบดีและก็วันศุกร์เท่านั้นแต่ก็เป็นการที่มาสนทนาธรรมกับท่านเพรบุอพิปุณโนที่ได้พบกับท่านตั้งแต่วันจันทร์เร่มมานะคะวันนี้เราจะมาสนทนากับท่านอาจารย์ต่อ ในเรื่องที่ได้กลับเรียนถามไปเมื่อวานนี้คือเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาซึ่งก็มาถึงตอนที่พูดถึงคนที่ศรัทธายากท่านไิบูลน์ก็ได้บอกว่าตัวท่านเองนี่แหละจัดว่าอยู่ในประเภทนั้นแต่สุดท้ายท่านก็ปลูกปัญญาจนเกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาถามท่านต่อนะคะในวันนี้เนี่ยว่าท่านเกิดศรัทธาขึ้นมาตอนไหน แล้วก็ต่อไปจะเป็นอย่างไรไปกราบนำ้ำมัศการท่านกันเลยนะคะกราบนำ้ำมัศกาลนะท่านคะเจิญพานค่ะเราพูดถึงศรัทธาว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่จะในการที่จะก้าวหน้าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ค่ะศรัทธาที่ที่ต้องมีเลยก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานก็คือว่าศรัทธาในกระบวนการการที่เราจะ จะแก้ทุกในนี้คือเรื่องของธรรมะมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในบุคคลที่เขาเคยทำมาได้ก่อนแล้วคือแน่นอนแหละเราก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าไอที่เขาทําแก้ทุกได้มันเป็นยังไงเพราะบางทีมันจับต้องไม่ได้แต่ตรงนี้เราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าไอคนที่ทําได้แล้วเนี่ยมันมีนะไม่ใช่แค่ร้อยเดียวไม่ใช่แค่200อแต่มีมากกว่านั้นมากนะอ่ะแล้วไงแล้วถ้าตัวเราทําหรือใครคนใดคนหนึ่งทำนะก็ต้องได้เหมือนกันอันนี้จึงไล่มาเป็นลระดับตั้งแต่ธรรมะ พุทธะแล้วก็สังฆะค่ ะ, ะซึ่งสังฆะตรงนี้คือหมายถึงการปฏิบัตินะที่ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะต้องทำได้แต่ว่าทุกคนถ้าทำตรงนี้ก็ได้หมดค่ ะ, <น>ะท่านคะ่ะขออนุญาตขัดจังหวะนิดหนึ่งนะคะเรียนเชื่อว่าหลายคนอาจจะติดใจว่าจำเป็นด้วยหรอว่าต้องเริ่มต้นที่ธรรมะทำไมไม่เรียงลำดับตามที่เราพูดถึงพระรัตนะไตรว่าจะต้องเริ่มต้นที่พระพุทธแล้วค่อยมาพระธรรมแล้วก็มาพระสง อาดามาเป็นอย่างนี้ไงว่าดามาเป็นอย่างนี้ไงคืออาดามาไม่ได้ศรัทธานในพระพุทธเจ้าแบบจ๋าว่าคือยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่ออย่างเงี้ยน ะ, ะหลวงพ่อพระครูศรีธิปปพการอาจารย์ของอาดามาเนี่ยหลวงพ่อดออรสะอาดเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเป็นเด็กทลายไล่ฝังเจ็ดแปดขวบตาคุณตาถามว่าจะบวชไหมบวชครับท่านพูดอย่างนี้เลย<ะ>แล้วก็บวชมาต้องเป็นเนนแต่ถ้ามีโอกาสตรงนี้แต่เราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น ตัวอาตมาเองไม่เป็นอย่างนั้นเห็นพระพุทธรูปก็โอเคแหละก็ไม่อะไรมากอนะคือไม่ได้ศรัทธาในในพระพุทธเจ้ามากเท่าที่หลวงพ่อเป็นเอาไว้อย่างนั้นเถอะไม่ได้ศรัทธามากๆามาตั้งแต่ต้นอ๋อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาตมามาเห็นจุดนี้ตรงไหนตรงธรรมะแล้วเออกระบวนการนี้มันแก้ปัญหาได้นี่นาซึ่งขอประทานโทษนะขอล่วงเข้าไปในส่วนตัวท่านนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าจากการที่ท่านบอกว่าก็งั้นๆแหละ เมื่อถึงวันที่ท่านพบธรรมะเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็มีทุกอย่างไรเหรอคะอ่าก็คือว่าพอเรามาบวชแล้วนมาบวชแล้วได้เห็นข้อมูลต่างๆที่สอนเอาไว้เห็นแล้วก็ทําปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็เห็นแจ้งตามกระบวนการที่พระพุทธเจ้าสอนพูดง่ายๆก็คือว่ามีความสุขที่เกิดจากในภายในนเป็ไปตามลําดับขั้นนจึงมีความมั่นใจนจึงมีความมั่นใจว่าอ๋อคนที่เขาทําได้มันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ถ้าถ้าใครสักคนถ้าเราทํามันก็ต้องเป็นได้อย่างนั้นเหมือนกันนะนี่ก็คือจึงเป็นกระบวนการตรงนี้อ๋อเท่ากับว่าของท่านเนี่ยผ่านจากการพิสูจน์ถูกไหมคะจากการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็พิสูจน์พบว่ามันจริงตามนั้นจริงค่ ะ, ะทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าแต่และคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะนบางคนก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์แต่อาจารย์ในครูบาอาจารย์ก็อาจจะเริ่มจากพระสงฆ์ก็ได้ แต่ ต, ตัวของอรรมาเองเริ่มจากตรงธรรมะว่าเอมันน่าจะมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเราเอาไหนพระพุทธเจ้าว่าเก่งใช่ไหมเราลองศึกษาดูมีเวลาว่างก็เอามาบวชซะสามเดือนนั้นคือเมื่อปีสีเก้าลองบวช ด, ดูใช่ลองบวช ด, ดูตอนนั้นคิดจะบวชนานเท่าไหร่คะนั่นคะก็สามเดือนอคค่ะแล้ว<ล>พอสามเดือนเห็นในสามเดือนเลยไหมคะ ใช่ก็คือหลังจากสามเดือนเนี่ยเดือนที่สามเดือนที่สามถึงได้มีโอกาสมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็หลวงพ่อก็มีความเมตตาให้คื อ, อมาเป็นพระใหม่ในะแรกๆเนนะ่ยคุณโยมติว๋วไม่ได้เรื่องเลยจะบอกให้แบบว่าทําผิดๆถูกๆพูดเสียงดังแล้วก็แบบไม่ค่อยเรียบร้อยอะ่ะแบบพระแบบพระใหม่นี่ออกาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ออพอผ่านผ่านมาแล้วท่านก็ให้โอกาสในการอยู่โอกาสในการบอกสอนแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมานะดีในเรื่องของจิตใจมีความมั่นใจมีความลงใจ เราจะไม่ให้การปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าค <Okay. S 1> ่ะทีนี้ถามว่าอย่างกรณีของศรัทธาที่พูดถึงว่าในพระพุทธประธรรมพระสงค์เนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วนะคือมันจะทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างที่ว่านะสักอันใดอันหนึ่งก็ได้คุณจับสักอันใดอนหนึ่งไม่จำเป็นต้อง3อันพร้อมกันหรืออันใดหนึ่งที่เรามีความมั่นใจว่าข้อนี้ฉันน่าจะทําได้นะนะข้อนี้มันน่าจะเวิร์กกับในชีวิตของฉันนะจะเป็นเรื่องของสีนะจะเป็น เรื่องของการรู้ประมาณในการบริโภคอาจจะเป็นเรื่องของการอยู่สันโดษพวกนี้คุณเอามาเลือกทําเลือกปฏิบัติได้เลยสักอันแดนหนึ่งแตนะ่พะเรามีการทําการปฏิบัติอ่หัข้อ น, นี้ที่ฉันพอจะทําได้เอามาทําดูพอทําดูเราก็จะได้ผลนะผลที่จะเกิดเป็นลําดับขั้นนะก็คือทําดูเนี่ยนะการทําดูเนี่ยการทําดูเนี่ยคือการทําจริงแน่แน่จริงนะทําลองดูนะทําลองดูทําจริงแน่แน่จริงคํานี้คือวิริยะ แต่ผลของวิทยาที่จะเกิดขึ้นก็คืออากูสโซลธรรมจะค่อยลดลงไปอันนี้อาจมากําลังไล่ไปตามลําดับของอินรียห้นะคุณโยมติวน ะ, ะอันดับแรกเรามีความมั่นใจในกระบวนการตรงนี้แล้วเอาสักอันแดา น, นึงมาลองทําดูนี่คือไปข้อที่2องน ะ, ะข้อที่2คือวิทยาคุณลองทําดูนั่นคือวิทยาทําไม่ใช่ทําแบบหยาะเหยาะใหญ่ใหญ่ทำแบบพอสะบ้านน้าไม่ตายแต่ทําจริงแน่ๆจริงนะพอสะบ้านน้าไม่ตายนี่หมายความว่าแบบเช่นยังมีกรณีที่เขาไป ให้ช่วยกันลงแรงในการกวาดล้านวัดอย่างนี้นะคนที่ทําแบบหยอยแย่ๆก็ไปขวาสัก2 3ทีนะแล้วถ้ามีคนอื่นมาถามบอกอ้าวท่านกวาหรือยังขวาแล้วไหนสะบ้านได้ไหมสะบ้านได้อย่างนี้นะเอาก็สะบานได้เนี่เพราะไปทำสองสแก๊กท่านเองนั่นก็คือนี่ลักษณะว่าทำพอสาบานน้ำไม่ตายว่าก็คือทําแบบหยอยแย่ๆทําไม่ทําจริงทําจังอ่าทีนี้พอมีการทําจริงทําจังแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออกุสสรธรรมก็จะลดลงไป อกนะุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นนะในสัมมาวายามะที่อยู่ในอริยมรรคมีมงแปดเนี่ยก็คืออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มแลนะสิ่งที่จะเป็นอย่างนี้ได้ผลที่จะเกิดขึ้นก็สตินั่นเองเพราะว่าสติที่เราตั้งขึ้นไว้เรารลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะพยายามที่จะล่าสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเพราะว่าเป็นอำนาจของสตนะินี่คือข้อที่3นะในอินสียห นะพอเรามีสติมากขึ้นทําจริงแน่แน่จริงมีสติมากขึ้นทําจริงแน่แน่จริงอากุศลธรรมลดลงไปกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นจิตมันจะมีความสบายอยู่ข้างในนะความสุขความเบาสบายอยู่ข้างในนี่แหละคือสมาธิ <Okay. S 1> นะความสุขความเบาสบายอยู่ในใจนะันเป็นผลของอกุศลธรรมที่ลดลงไปเป็นผลของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นจากการทําจริงแน่แน่จริงตรงนี้นั่นคือจะเป็นตัวบอกระดับของความสุขนี่คือข้อที่4ี่คือสมาธินั่นเอง แตนะ่เป็นความสุขชนิดที่อยู่ในภายในคุณหยมติว๋วไม่ใช่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาล่อนะไม่ต้องอาศัยรูปหรืออาหารมาล่อผ่านทางตาหรือทางลิ้นนะไม่ใช่อางนั้นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเหมือนกับแบบว่าอยู่ๆก็แฮปปี้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะแต่เหตุผลที่เกิดขึ้นคือเหตุผลในใจในะที่ว่ า, ากุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นจา ก, กั้รที่เราตั้งสติไว้ายจากการที่เราทําจริงแ น, แน่ๆจริงไนะล่ามาตามระดับถึงข้อที่4แล้ว ปรามีสมาธิจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีความสุขอยู่ในภายในใครควรพิจารณาสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นะเราจะเห็นด้วยปัญญานั้นะเราจะเห็นด้วยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นนี้คือข้อที่5นั่นเองนะเรียกว่าเป็นปัญญาในสิ่งที่ในอินทรีย์ทั้งหน้านะพอมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาตรงนี้นะจะมีความจะมีความรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษามาตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยมีความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยอ๋อผลมันคือตรงนี้เข้าใจไหม ในข้อที่1คุณมีความศรัทธามีความมั่นใจทั้งๆนี่แบบยังไม่ได้ทําให้ถึงนะเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของศีลศีลมีอ น, นิสงส์เป็นความไม่ร้อนใจเหรอแต่ยังไม่ได้หรอกความไม่ร้อนใจเราก็ลองลอ ง, ลองทำดูมาข้อที่2ล้วเป็นวิทยะใช่ไหมลองลอ ง, ลองทําดูเหนี่ยพยายามจะตั้งสติไว้ทําให้มันถูกจะตบยุ่งกับไม่ตบนี่คือข้อที่3สามทําให้จิตเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นนี่คือข้อที่4แล้วพอได้อนิสงส์เป็นความที่ไม่ร้อนใจนั่นมันจะเกิด อ๋อขึ้นมาทันติอ๋อขึ้นมาอ๋อไอที่ไอตรงนั้นเราที่ไปศึกษามานี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเป็นอย่างนี้ทราบที่พระพุทธเจ้าใช้บอกอย่างนี้บอกว่าจะรู้ชัดอย่างนี้ย่อมเชื่อมั่นว่าธรรมเนี่ยที่เราได้เคยฟังมาแล้วบัดนี้มาถูกต้องเราด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพูดง่ายๆก็คือว่าที่คุณไปอ่านตำรามาเนี่ยหมายมันเข้าไปในใจมันเป็นอย่างนี้นี่คอกอ็เนี่ย เพราะข้อที่หตรงปัญญาตรงนี้ปุ๊บมันจะทําให้เกิดศรัทธาในข้อที่หนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยมั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจไม่ใช่เฉพาะในหูในสมองแต่มั่นใจเข้าไปในใจเอ้ามันก็ทําไงมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกดลุยต่อเดินหน้าต่อนะลุยต่อเดินหน้าต่อก็จะทําให้เกิดการปฏิบัติขึ้นใหม่เกิดการปฏิบัติขึ้นใม่อีกมีสติตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นมีสติตั้งมั่นขึ้นแล้วจิตก็เป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นเห็นแจ้งแทนตลอดด้วยปัญญายิ่งขึ้นแล อดี๋ยมันก็เลยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก็ยิ่งทําดีมากยิ่งขึ้นเดียิ่งละเอียดลงละเอียมันก็จะวนเป็นลูปขึ้นไปวนเป็นลูปขึ้นไปไล่มาจากสัคธ์ไล่มาจากศรัทธาไปวิริยะสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นก็ไล่ไปวิริยะสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปอย่า ง, งนี้ครับก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มาต่อด้วยศรัทธาบวก วิริยะบวกสติบวกสมาธิบวกปัญญาบวกอย่างงั้นใช่ไหมคะช่แล้วก็ไปศรัทธาบวกบวก่ิริยะบวกบวกเกอกูลกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถูกต้องแล้วก็เหมือนกับถ้าจะพูดไปดิฉันจะใช้คําว่าเป็นวัตตจักงี้ได้ไหมคะเหมือนกับใช่นี่เป็นขนทางเป็นทางไปค่ะทางเนี้ยมีองค์ประกอบแปประการนะคะเป็นเส้นทางค่ะเป็นวงวนไปเรื่อยๆ วนขึ้นไปเหมือนขึ้นไปบนเขาเนี่ยวนไปเรื่อยๆก็จะไปถึงยอดแล้วก็จะขึ้นระดับสูงขึ้นถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้ท่านุบังที่เขารพค่ะเรากําลังพูดในสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากจะเป็นผู้ที่ศักดิ์ว่าเป็นพุทธศ า, น ส, าสนิยกชนแต่ว่าเป็นชาวพุทธที่แท้แล้วก็เป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้แจ้งร่านพูดอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องพุทธะคือผู้รู้ท่านเผบูนได้เมตตาที่จะบอกให้เรารู้ว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาพาให้เกิดวิริยะมาจนถึงสติเกิดสมาธิและเกิดปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นเหตุที่ดีเยี่ยมในการที่จะทำให้ความทุกข์ของท่านน้อยลงไปถูกต้องท่านคะคาว่าศรัทธาเนี่ยภาษาบาลีเขามีชื่อเรียกต่างหากไหมคะเออใช้ศรัทธาเลยอ๋อเหรอคะใช่วิริยะเหรอคะท่านคะ ก็วิริยะนี่แหละสติก็สตินี่แหละสมาธิค่ะโอ้โหสมาธิแน่นอนเลยปัญญาก็ใช่เหรอคะเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ภาษาบาลีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วงั้นคำว่าอินรีนี่ก็เป็นภาษาบาลีเช่นเดียกแน่นอนถูกต้องสรุปแล้วชุดคำ <laughs> นี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมดถูกต้อง นะคะท่านผู้ฟังก็ได้ความรู้ภาษาบาลีอีกพเพลินเลยนะคะเนี่ยแต่อาจจะสะกด ด, ด้วยตัวสะ ก, กดต่างกันนิดนึงนะอย่างเช่นว่าสัทธาก็สเสือเ <c oughs> มงกาท อ, ทอทหารทอทองสละอาข้าสะกด แ, ะแบบบาลีใช่ค่ะอแล้วถ้าบาลีเลยก็จะต้องมีจุดข้างล่าง จ, จุดที่อยู่ข้างล่างของตัวสะกดทําให้พยัญชนะนั้นกลายเป็นตัวสะกดนี่ภาษาบาลีเรียกอะไรคะนี่คือหิด นิคขหิตอ๋อคล้ายๆกับที่เราเรียนภาษาไทยเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเร า, เา จ, ะจะเจริญก้าวหน้าในธรรมะหรือว่าบางทีเราอาจจะเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์หรือตัวเรามีความทุกข์เนี่ยขอให้รู้เถอะว่าอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีถูกไหมคะถูกต้อง นะคะเป็นเป็นตัวที่บอกว่าท่านกำลังจะมีโอกาสและเพียงตัดสินใจไปให้ถูกก็แล้วกันว่าจะไปทิศธง า, ายหรือว่าจะมาทิศที่ความทุกข์นั้นทําให้เกิดการสแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องใช่ด้ยการปลูกศรัทธาประเด็นก็คือว่าอแล้วทำไมคนส่วนใหญ่หรือว่าคนบางส่วนเนี่ะเขไม่ได้เลือกทางที่สองที่ว่าจะมาให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ทําไมความทุกข์เนี่ยที่พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเนี่ยถ้าไม่สำหรับบางคนถึงไม่เกิดศรัทธา และที่เราบอกว่าปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาเนี่ยกระบวนการที่แท้จริงเป็นยังไงกันแน่นั่นแหนะสินั้นมาก็เลยจะเพิ่มเติมตรงนี้ว่าคนที่จะมีเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นศรัทธาได้เนี่ยนะเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นศรัทธาได้ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นๆ ด, ด้วยนะเช่นข้อที่1คุณต้องมีการโยนิโสมนาสิการอันนี่สําคัญมากโยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยแยบคายนะ น, นี่คือข้อที่1 ข้อที่สองคุณจะต้องมีเพื่อนดีด้วยนะเพราะว่าบางทีเพื่อนดีก็แนะนำทางออกให้คุณได้ดีๆแล้วข้อที่สมคุณอาจจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนความเห็นที่ถูกต้องมันก็เรื่องอริยสัจสี่นั่นแหะมันก็จะไปสอดคล้องกับข้อแรกเพราะว่าการโยนิโสมรัสิกาเนี่ยที่ถูกต้องก็คือโยนิโสตามกระบวนการของอริยสัจีนะ่หรือข้อที่4ี่ที่จะ ทาให้มาไ ม, ม่มีศรัทธาได้ก็ฟังธรรมซึ่งแน่นอนแหละมันก็จะไปสอดคล้องข้อที่สองว่าถ้าคุณมีเพื่อนดีก็อาจจะได้มีโอกาสฟังธรรมได้คะ่ะอนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะค่อยๆเปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นศรัทธาได้องคะ์ประกอบที่อรมาคิดได้ตอนนี้เห็นเห็นอยู่เลยเนี่ยนะก็จะมีอยู่ส ข, ข้อนี้แน่นอนใช่ค่ะโยนิโสมนสิการทําในใจโดยย่าบคาเป็นอย่างดีมีเพื่อนดีมีกาลยานมิตรนะคะมีสมาทิฏฐิคือมีความ ที่ถี่ชอบความเห็นชอบตูองเห็นในการตรัสรูของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจสีค่ะแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมช่วยได้ค่ะท่านจาร์คะบางคนเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกคิดไม่ออกอะคะ่ะว่าตัวเองมีความทุกข์อย่างไรหรือบางคนเนี่ยเดยฉันก็เห็นพี่ๆน้องๆหลายท่านที่รอจนเกษียณอายุนะคะ ถ, ถึงได้มาสู่เส้นทางของการปฏิบัติ จริงๆมันรอกันได้มั้ยคะเรื่องพวกนี้อันนั้นก็คือเขายังมีความประมาทอยู่ในระดับหนึ่งะคือถ้าบอว่าเรามารออยู่เนี่ยมันก็ทื่ว่าประมาทในช่วงเวลานั้นทีนี้ถามว่าเขารักษาความประมาทในระดับไหนระดับที่พระเจ้าได้ให้ไว้ก็คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลแต่ถ้าบอว่าเรายังรักษาศีลได้ในระดับที่เราจะต้องอฉันก็ยังครองเรือนอยู่ก็ต้องทํางานอ่ะก็ต้องขับรถก็ต้องไปนั่นนี่ แต่ว่าก็ยังรักษาศีลได้อันนี้ก็ชื่อว่ามีความไม่ประมาทในระดับหนึ่งค่ะตอ น, นนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะเริ่มต้นอย่างที่ท่านพิบูรณ์บอกจับตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าจะนำมาปฏิบัติก่อนชเช่นเรื่องศีลใช่ไหมคะใช่ใชแล้วก็มาด้วยการที่ศรัทธาในศีลอันนี้ถือว่าเป็นธรรมแล้วถูกไหมคะถูก ต, ต้องเป็นธรรมะแลวข้อที่สองก็คือเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ ตรัสรู้มาแล้วส่วนหนึ่งของการที่จะพ้นทุกข์ของท่านนั้นคือเรื่องของศีลสมมติที่ฉันตีวงอยู่ที่ศีลก่อนนะคะได้ไ ด, ไดแล้วก็พอมาอยางที่สามก็คือในเรื่องของสังฆะก็เห็นผู้ที่เขาปฏิบัติตามศีลแล้วเขาได้ผลอย่างนั้นก็จึงเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามอันนี้คือข้อที่สองถ้าเห็นคนอื่นแล้วเขาทาได้อันนี้คือข้อที่สองว่ามีคนทําเป็นตัวอย่าง<อ>แล้วถ้า ค, คนที่ยังไม่ได้ทําแล้วจะไปทํานี่คือข้อที่สาม อ๋อข้อที่สามคือการปฏิบัติของเราด้วยของคนอื่นที่เขายังไม่ได้ด้วยค่ะงั้นที่เรากำลังคิดอยู่จะทานี่จะอยู่ที่ข้อที่สามใช่นะคะเป็นสังฆะถูกต้องในที่นี้ที่ไปปฏิบัติแล้วที่จะนำไปปฏิบัติแล้วมีโอกาสได้ผลนี่ใช้คำจํากัดความว่าอย่างไรก็สู่ปฏิปันโนสู่ปฏิปนโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ๋อค่ะแล้วหลังจากนั้นกระบวนการเมื่อเราตัดสินใจปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความวิริยะ ขึ้นมาเองใช่วิริยะที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นอกุศลหมดไปหรือว่าน้อยลงไปถูกต้องแล้วก็จะทำให้เรามีสติคือมีความระลึกชอบในทุกการกระทาถูกต้องมาถึงการมีความตั้งใจมั่นใช่กตมีสมาธิการมีสมาธิถูกต้องแล้วก็นำไปสู่การเกิดปัญญาแล้วเราก็จะค่ะ ปัญญาที่จะเกิดจากการรักษาศีลมากๆที่จะนำไปสู่การเกิดศรัทธาบวกนี่จะเป็นปัญญาแบบใดคะท่านคะจะทำไปสิ่งที่ก็จะรับรู้ก็คือความไม่ร้อนใจ <Okay. S 1> ความไม่ร้อนใจพอ<จ>มีความไม่ร้อนใจแล้วโอ้นี่เป็นผลของของการรักษาศีลแต่เราไม่ได้โกหกเนี่ยมันไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะมี youtube คลิป YouTube ไปโผล่ที่ไหนหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำผิดศีลข้อสามอย่างเงี้ยนะค่ะอันนี้ก็ เหมือนกับเรารู้ธรรมะก่อนว่าผลของการรักษาศีลคือความไม่ร้อนใจแล้วเราก็ทำแบบอะไรนะคะสตพอนะวิชาเราาขาคณิตใช่ไหคะใช่ใช่่ช <laughs> เรารู้แล้วแต่เราจะพิสูจน์เพื่อที่จะให้ความรู้ความเชื่อในความรู้นั้นหนักแน่นแจ่มแจ้งขึ้นหนักแน่นตรงนี้แหละคือศรัทธาที่บวกขึ้นมาค่ะทีนี้กระบวนการตรงนี้แล้วก็จยงติ๋วเพิ่งหมาว่า คุณไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหานะคึงก็ไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาก็ไปได้ทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าบางทีมันติดขัดมันคลุกคลักนะติดขัดคลุกคลักเช่นปรารบความเพียรมากเกินไปนะพะปราลบ <ม Ee. S 1> ความเพียรมากเกินไปสมาธิมันไม่เกิดเป็นต้นนะจิตไม่เป็นอารมณ์แตเดียวหรือปรารบความเพียรย่อหย่อนเกินไปนะสติก็ไม่ตั้งมันแนะมันก็จะต้องมีการปรับอินซีฮ่านี สับที่ใช้ก็คือต้องมีการปรับอินทรีย์ให้พอเสมอเสมอกันแตนะ่ยกตัวอย่างเช่นตัณหาสนะเนะราความเพลียรจัดเกินไปในะจิตใจเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในะสมาธิจิตไม่รวมลงเป็นสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาพริชาสอนให้ปรับอินทรีย์ให้มันเหมาะสมนะหรือว่าบางคนที่มีปัญญามากเกินไปศรัทนธะา ม, มันไปไม่ได้นะมันติดขัดมันก็ต้องปรับศรัทธาให้เพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็ต้องมีก็ปรับกัน สัดส่วนที่ต้องปรับตรงนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลให้ได้ฟังเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้เลยก็คือศรัทธากับปัญญาเนี่ยคู่กันจะปรับกันได้คือปรับเนี่ยให้ปรับให้เสมอกันนะคือไม่ได้ปรับลดนะแต่ให้ปรับเพิ่มนี่คือคู่ที่1คู่ที่สอก็คือวิริยะกับสมาธินวิริยะกับสมาธิต้องปรับให้เสมอเสมอกันแล้วอันที่3ที่ว่าดีตลอดเลยก็คือสติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ในข่้นที่สามอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่จะทำให้อ่าไม่พบกับความหรือแก้ปัญหาความคลุกคลักถูกต้องอันนี้บอกเอาไว้ก่อนจะได้เวลาห่างครูบาอาจารย์แล้วรู้ว่าควรจะทำเช่นไรใช่คือที่อธิบายเนี่ยมันสム ooth ไปตามทางไม่มีปัญหาค่ะอ่าแต่ปกติมันก็จะติดขัดคลุกคลักบ้างค่ ะ, <จ>ะ ถ, ถ้าพิบูลค่ะที่ฉันอยากขอให้ท่านยกตัวอย่างน่ะ เออคือถ้าเป็นการนั่งสมาธิที่ทพอเข้าใจนะคะแต่ในตัวอย่างที่เรายกกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเหมือนกับทดลองในเรื่องของการรักษาศีลจะถูกผลักอย่างไรค่ะที่ท่าบอกว่าเช่นว่าถ้าเรารักษาศีล8ดเป็นต้นรักษาศีล8ดนะของฉันประพฤติปรมาณันอ้าวแต่คุณยังครองเรือนอยู่นะคุณยังครองเรือนอยู่การครองเรือนเนี่ยมันก็จะต้องไปกินอาหารเย็นบ้างเอาอย่างน้อยๆแล้วแหมแต่ว่าไม่กินอ่ะจะทํายังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่เรียกว่า การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณบางทีบางครั้งในจุดนี้ก็ต้องเลือกใช้ธรรมะแบบนี้นะการเลือกใช้ธรรมะให้ถูกตรงนี้ก็คือปรับบีริยาต่นเองแต่ไม่ให้มันมากเกินไปถ้าตึงเกินไปแตามากเกินไปปรารุษความเพียรจัดเกินไปมันก็จะทําให้มีปัญหาคนเดี๋ยวเ้าก็นินทาลับหลังเดี๋ยวเ้าก็ทําไมคุณทําอย่างนี้ประพฤติตัวแปลกๆมานั่งหลับตาในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ย นะพอไปปฏิบัติธรรมมาโอ้ทำไมแปลกไปแล้วนทะุกดาทุกว่ามากจิตก็ไม่เป็นสมาธิให้มันก็จะไปต่อไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสีนย่อหย่อนลงไม่ใช่ไม่ใช่ปรับใ ห, ให้เลือกให้เหมาะสมให้เหมาะส ม, ม, สมนะเลือกให้เหมาะสมกับเวลาเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณนะ์หรือแม้เรื่องที่ละเอียดละเอียดลงไปเช่นบ่าบางทีบางจังหวะตอนนี้ต้องมีอุเบกขาเราจะไปใช้เมตตาก็าไม่ได้อย่างงี้ก็ต้องเลือกให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องของวิทยาตรงนั้น นะคะถ้าอาชีพหน้าตาซีบเซียวไปหาใครไม่ได้ก็คงจะต้องเลือกรักษาแค่ศีนห่าละมั้งคะท่านคะในบางเวลาในบางโอกาสใช่ไหคะก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะแต่สรุปแล้วก็คือว่ายังอยู่ในหลักที่ดิฉันคิดว่าจะถามว่าเป็นหลักที่พระพุทโธงตรััถึงเรืองทาสายกลางนะ่ไหมคะถูกต้องถูกต้องทางสายกลางก็สามารถที่จะมาฟังเพิ่มเติมกันได้ ในรายละเอียดของธรรมะที่พระพุธองกระสอนไว้จากรายการสรนสนีสนทนานะคะเราก็ใช้เวลาในแต่ละวันกันพอดีพอดีค่ะคะต้องกราบน้ำมัศ ก, การขอบพระคุณท่านเพบุลไว้ในโอกาสนี้นะคะน้มัศ ก, การะคะ่ะท่านฝั่งที่ครค่ะและนี่ก็คือรายการสรนสนีสนทนาพระัชจรเพรบุญอภิปุนโนนะคะพระภิกษุอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโุดรนธานีที่มีพระครูสิทธิประพากรหรือว่าหลวงพอ่อดรสะอาดเป็นท่านเจ้าวาดเนี่ย น, นะคะแล้วก็มีการสอน การปฏิบัติหลีกเรนเป็นประจำในทุกเดือนโอกาสดีในหนึ่งปีก็จะมีคอร์สภาษาอังกฤษด้วยใครสนใจก็เข้าเว็บไซต์นะคะ www.wpdhs วัดป่าดอนหายโศกยอดตรงตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ .org นะคะสำหรับเรื่องของศรัทธาดิฉันก็หวังใจว่าจะเป็น การจุดประกายให้ท่านเข้าใจเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไปเพราะว่าอินทรีย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เราเก้าวหน้าไปสำหรับการปฏิบัติตามคำสอนของพระศ า, าสดาค่ะก็ติดตามรายการนี้กันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสันสนินาคพงรายการสันสินีสมทนาลาท่านไป ก, ก่อนค่ะพุทธวสวสดีค่ะ